สวัสดีครับที่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิดสาวก ค, ครั้งที่หกเรื่องสาวกและทรัพสมบัติพี่น้องครับทรัพ ส, สมบัติไม่เข้าใครออกใครเงินทองไม่เข้าใครออกใครผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสาวกนะครับเราจะต้องเป็นคนต้นเรือนเป็นคนที่ดูแลทรัพสมบัติ สาวกแท้เป็นผู้ที่ดูแลทรัพสมบัติที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเขาพี่น้องครับทุกบาททุกสตางเงินทุกเม็ดที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่จัดเตรียมมาผมไม่ได้หมายความถึงเงินที่ได้มาด้วยการโกงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ได้มาด้วยความไม่ซื่อสัตย์ทรัพสมบัติที่พระเจ้าฝากให้เราดูแลนั้น เราต้องดูแลเป็นอย่างดีในพระกัมภีร์ลูกาบทที่สิบหกข้อหนึ่งถึงข้อสิบสามพระเยซูได้เล่าอุปมาเรื่องคนต้นเรือนที่ไม่ซื่อสัตว์พระเยซูเล่าให้สาวกฟังนะครับว่าเจ้าของทรัพย์สมบัติที่มั่งคั่งคนหนึ่งจ้างลูกจ้างไว้ดูแลธุรกิจของตัวเองต่อมานายก็ทราบว่าลูกจ้างนั้น ใช้เงินให้หมดเปลืองไปด้วยความไม่ซื่อสัตย์ทันใดนั้นเขาต้องการให้มีการตรวจสอบบัญชีครับเขาบอกกับลูกจ้างว่าเขาจะต้องจากไปลูกจ้างทราบครับว่าเขานั้นถูกจับทุจริตได้ไม่มีความหวังที่จะได้ทำงานที่นั่นอีกต่อไปแล้วและอีกประการหนึ่งคือว่าเขาก็รับใช้นายคนนี้มานาน แต่เนื่องจากความไม่ชื่อสัตยของเขาทําให้ในที่สุดแล้วนายก็จะไล่ออกเขาพี่น้องครับคนคนนี้ซึ่งเป็นคนต้นเรือนดูแลทับสมบัติของนายเขาก็มีอายุมากมากเกินกว่าที่จะทํางานไหวเขาคิดว่าต่อไปเขาจะขอทานคนกินก็จะรู้สึกําอายขายหน้าก็เลยคิดด้วยความ เียแล้วฉลาดด้วยความเจ้าเละกะว่าจะผูกมิดไว้เพื่อเวลาข้างหน้าโดยเอาเงินของนายนี่แหละครับเป็นเครื่องผูกมิดความจริงแล้วเงินนี่เป็นเงินของนายแต่เขาก็ฉลาดฉลาดที่จะเอาเงินนะครับมาผูกมิดเพื่อที่เขาจะมีคนช่วยเหลือจุนเจือในอนาคตเขาไปหาลูกนี้คนหนึ่งและถามว่าเจ้าเป็นหนี้ นายฉันเท่าไหร่เขาตอบว่าเป็นนี่น้ำมันอยู่ร้อยถังถ้าอย่างนั้นก็ชำระมาครึ่งหนึ่งแล้วเราจะแก้บัญชีเสียใหม่คนต้นเรือนคนนี้ก็ไปหาลูกนี่คนอื่นๆแล้วก็ทำคล้ายๆกันพี่น้องครับปรปเยซูก็ได้สอนเกี่ยวกับคาอุปมาคำนี้ครับเรื่องนี้นะครับ ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ทุกคนทราบดีครับว่าการกระทำของผู้คนต้นเรือนหรือผู้ที่ดูแลทรัพย์สมบัติของนายไม่ซื่อสัตย์ครับการไม่ซื่อสัตย์นี้เป็นเรื่องที่ผิดเป็นความบาปครับแต่สิ่งที่พระเยซูชมเขาพระเยซูชมว่าด้วยว่าคนของโลกนี้ในพวกเขา เขาใช้สติปัญญาฉลาดกว่าคนของความสว่างอีกเพราะนั้นครับคนที่ไม่ซื่อสัตย์ก็เป็นคนที่สังกัดฝ่ายโลกครับไม่ได้อยู่ในความสว่างไม่ได้เป็นของความสว่างเพราะฉะนั้นพระเยซูไม่ได้เห็นด้วยกับการที่เราจะอาศัตร์หรือไม่ศัตรีแต่พระเยซูทรงชมนะครับ การกระทําของเขาและการโกงนี่เป็นเหตุให้เขาถูกไล่ออกในทีแรกไม่มีคนดีคนไหนจะเห็นชอบด้วยกันกับการโกงครับเพราะฉะนั้นการยักยอกช่อกงเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องแน่นอนคนต้นเรือนไม่ซื่อสัตว์คนนี้จะรับคําชมเพราะเหตุผลประการเดียวครับก็คือเขารู้จักวางแผนการนะครับวางแผนการเพื่ออนาคต เขาทำเช่นนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะมีเพื่อนที่คอยสนับสนุนเขาเขาทำไปเพื่อนาคตนะครับมากกว่าจุดสำคัญของขับอมมาเรื่องนี้นะครับก็คือเราเห็นได้ว่าคนของโลกครับหรือคนในโลกเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาจัดหาไว้สนับตัวเองในวันข้างหน้าเขาห่วงใยอนาคตในยามที่ตนเองเฒ่าชะแลแก่ชราทำอะไรไม่ไหว รตรากำทำงานเพื่อให้แน่ใจครับว่าเขาจะได้สบายตอนที่หมดเรี้ยวแรงรรทําหากินแล้วพี่น้องครับเปเยซูชมเขาครับว่าฉลาดฉลาดกว่าลูกของพระเจ้าฉลาดกว่าคนวาความสว่างฉลาดกว่าคริสเตียนเพราะเนื่องจากว่าเขามองอนาคตคริสเตียนหลายคนนั้นคิดว่าจะอยู่ในโลกนี้นะครับแต่ไม่ได้คิดถึงอนาคต อนาคตสำหรับผู้ไม่เชื่อหมายถึงอะไรครับหมายถึงความพินาศแต่อนาคตลูกของพระเจ้านั้นก็คือหมายถึงการอยู่กับพระเยซูตลอดไปเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าจากเรื่องนี้เองคนต้นเรือนผู้ไม่เป็นคริสเตียนหรือคนที่เป็นของโลกนะครับก้าวหน้ากว่าครับในเรื่องการจัดเตรียมอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะให้เราเป็นสาวกของพระเยซู เราจะต้องเป็นคนต้นเรือนดูแลทรัพย์สมบัติเราจะต้องใช้ทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าฝากให้เราดูแลนะมอบให้เราดูแลนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดพึ่งพี่บอกนะครับว่าคนที่สัตซื่อในของเล็กน้อยก็จะสัตซื่อในของมากด้วยและคนที่อัดสัตในของเล็กน้อยก็จะอัดสัตในของมากเึ่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าเรา ไม่สัตซื่อนะครับพระเจ้าจะไม่ใช้เราและเงินที่เราได้จากการโกงหรืออะไรก็ตามที่ได้จากการโกงนั้นมันจะอยู่ไม่นานในโทนหรอกครับถ้าเราไม่สัตซื่อในทรัพย์สมบัตินะครับที่มองเห็นได้เราจะสัดซื่อในทรัพย์สมบัติที่มองไม่เห็นก็คือชีวิตนิรันดร์ได้อย่างไรถ้าเราไม่สัตซซื่อในของเล็กน้อยเราจะสัดซื่อ ของใหญ่ได้อย่างไรที่งกับทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกแท้จริงแล้วไม่ใช่เป็นความมั่งมั่งคั่งร่ำรวยที่แท้จริงครับเพราะว่ามันมีความจำกัดไม่ถาวรแต่สมบัติทางใจหรือเรื่องราวฝ่ายจิตอวิญญาณต่างหากครับที่เป็นความมั่งคั่งที่แท้จริงเพราะว่าเราวัดค่าไม่ได้ภ า, าษาอังกฤษใชว่า priceless นะครับ priceless และไม่บีวันสิ้นสุดเลยคือ eternity ครับพี่น้องครับโปรดจำนะครับว่าเราจะต้องสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยสัตซ์ซื่อในของของคนอื่นแต่ถ้าเราไม่สัตซ์ซื่อในของของคนอื่นนั้นใครจะมอบทรัพย์สมบัติอันแท้ให้เป็นของเราพี่น้องครับในเรื่องนี้เราจะต้องเรียนแบบครับว่าเราจะต้องเป็น คนที่มีทรัพย์สมบัติแห่งธรรมใช้ทรัพย์สมบัตินี้เพื่อที่จะได้ชีวิตนิรันดร์ครับเอาทรัพย์สมบัติเงินทองที่พระเจ้าให้กับเรานี่แหละครับลงทุนครับลงทุนไปในสิ่งที่เป็นของถาวรนิรันดร์อย่าไปลงทุนในสิ่งที่เป็นของที่ไม่ยั่งยืนครับสิ่งต่างๆที่มองเห็นได้นั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์ เพื่อรับให้เราเข้าใจเรื่องนี้และขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นเงินทองไม่เข้าใข่ออกไข่เพราะฉะนั้นอยู่ให้ห่างความโลภครับอยู่ให้ห่างความละโมบเพราะว่าความโลภนั้นหรือความอยากได้นั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งหลายบางคนก็อยากได้นู่นได้นี่ครับ บางคนก็อยากได้อำนาจบางคนอยากได้เงินทองบางคนอยากได้ชื่อเสียงสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจะยั่งยืนหรือไม่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะแสวงหาสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดครับก็คือชีวิตนิรันต์และบําเหน็จนิรันต์ครับบําเหน็จนิรันต์นี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับเพื่อที่เราทั้งหลายจะเลือกถูกว่าเราควรจะทําอะไรในโลกนี้เพื่อส่งผลต่ออนาคต โลกหน้าคือชีวิตหลังนั่นเองขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะเห็นความสำคัญอย่างแท้จริงมองเห็นเรื่องราวฝ่ายวิญญาณเปลี่ยนทรัพย์สมบัตินะครับของโลกให้กลายเป็นการลงทุนในทรัพย์สมบัติ บ, บนแผ่นดินสวรรค์เป็นการสัาสมบนสวรรค์เพื่อที่ เราจะได้ถวายเกียรติพระเจ้าขยายแผ่นดินของพระเจ้าให้การประกาศข่าวประเสริฐนั้นไปถึงคนทุกยุคนะครับทุกสมัยนะครับทั่วทุกคนทุกแห่งอามน